พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าพาเด็กใหม่ไปเข้าโรงเรียน วันนี้เป็นวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช25งร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้ตอนเที่ยงของวันนี้ก็คณะสงฆ์หลายจังหวัดเข้าไปการาบคารวะรูปเหมือนองค์หลวงต า, อ ย, างอย่างทุกปีที่ผ่านมาแต่ก่อนเมื่อลงตายัง ทรงธาตุขันยู่ก็ท่านเจ้าคุณพระอุดมยานโมดีเจ้าพาวาดวัดโพธิสมพรเจ้าคุณปูพาคณะสิทธิ์พระสงฆ์ทั้งหลายเข้าไปการาบคารวะองค์หลวงตาเป็นประเพณีเมื่อกาบคารวะองค์หลวงตาเสร็จเรียบร้ยแล้ ว, ลวพวกเราก็ทำพิธีการาบคารวะหลวงปู พระอุรมยานโมรีพร้อมกันไปด้วยแปลว่าเป็นวันแรมแปดค่ำของหลังจากเข้าพรรษาหนึ่งอาทิตย์เรียกว่าระหว่างวันพระหนึ่งทุกปีอันนี้ก็คือเป็นประเพณีวันนี้ก็หลวงพ่อเองก็ไมา่ได้ไปกระสงพระไป เกือบสิบรูปไปร่วมคาระวะแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็คิดว่าวันที่สิบสองสิงหาเป็นวันเกิดของหลวงตาเราเคยไปทุกปีเมื่อท่านยังทรงทาทขันอยู่เราก็ได้ไปคาระวะทุกปีพร้อมกับคณะสงฆ์คณะศรัทธาญาติโยมสิทธิญาณุสิทธิ์พร้อมหน้ากัน แต่เมื่อลงตายร่วมล่วงรับดับขันไปแล้วเราก็ยังถือว่าเป็นวันสำคัญของพ่อของพวกเราเพราะท่านให้ธรรมะกับพวกเราให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับพวกเราพวกเราก็เข้าไปกราบครวะผลงพ่อก็ได้บอกกับหมู่พวกเพื่อนถึงจะไม่มีใครเข้ากับลงพ่อในละองหนึ่ง จะเข้าไปทาไปกราบคารวะถือดอกไม้ทูบเทียนเข้าไปเป็นอามิตบูชาบูชา้วยอามิตอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็วันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน8ที่ได้เข้าพรรษามาหนึ่งอาทิตย์และหนึ่งวันพระ กอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านให้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีศัจจ์อธิษฐานอย่าได้ขาดตกบกพร่องในการสมาทานศีลหรือว่าวันพระทุกวันพร ะ, ท, พระที่พวกเราได้ตั้งจิตแน่วแน่ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วอธิษฐานแว่าตั้งใจมั่น ความหมายตั้งใจให้มั่นคงเราจะทำคุณงามความดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าเราก็เคยเล้มเหลวหลอแหละมาแล้วไม่รู้วกี่เรื่องกี่ราวอายุของเราก็ปูล น, นี่หละ เ, เพราะนั้นในพรรษานี้หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราทุกทุกท่านมีความ มุ่งมั่นมีความตั้งใจมิั จ, จอธิษฐานไว้ในใจให้ประกอบคุณงามความดีเพราะว่าพันษาหนึ่งมันก็ไม่มากถ้าเราคิดดูแล้วสี่สามสิบสองสามเรือนเราเพียงเสียสละเพียงสิบสองวันไม่ได้เหรอ เพียง12วันเดือนหนึ่งก็สวัน3เดือนก็12วันถ้าขนาดเพียงส2องวันเรายังละแหละล้มเหลวไปอีกก็พวกเราจะหาความสุขความเจริญทางด้านธรรมะเข้าสู่จิตใจได้อย่างไรขนาดเพียงแค่นี้ของเราก็ยังล้มเหลว ไม้ปักขี้เลนเพราะนั้นทางพูดทางนี้ท้งนั้นก็เพื่อจะจะให้พวกเราตั้งใจว่าเราจะทำยังไงในพรรษานี้แต่หลวงพ่อเองคำว่ามาวัดหรือว่ามารักษาศีลในจุดนั้นจุดหนึ่งหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไร แต่ว่าอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเน้นเรื่องสมาธิเนี่ยนะ เ, เรื่องทานหลวงพ่อก็ไม่ได้ตําหนิอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าบอ่อนเตื้องทานของคณะสัตยาญาติโยมรู้สึกว่าไม่มีความไม่มีอะไรขาดตกปกพ่องอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นฟุ้งเฟยเหลือเฟือมีน้ําใจล้นหลาม หลวงพ่อเห็นแล้วก็เป็นที่อุ่นใจเป็นที่พอใจพวกเราเชื่อในผลศิลผลทานเชื่อในผลทานของตนเองในเมื่อทำไปแล้วคือว่ามันจะอดมันจะอยากมันจะร่อยหลอลงไปพวกเราทำมาแล้วมีแต่ความสบายอกสบายใจมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจเพราะนั้นพวกเราจึงได้ เสียสละในการทำทานแต่พอรักษาศีลก็รู้สึกว่าพวกเราอ่อนร่อยไปสักหน่อยแต่พอเรื่องภาวนาแล้วหลวงพ่อไม่มั่นใจเลยสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอาจจะต่อหน้าหลวงพ่ออาจจะพอนั่งไหวแต่พอออกไปอยู่ตามลาพังนะ้วก็คงจะสู้กิเลสภายในใจไม่ได้เพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงอยากจะเน้น เรื่องจิตภาวนาก็ริเริ่มใหม่เหมือนกับเด็กส่งเด็กไปเข้าโรงเรียนลักษณะอย่างนั้นหละส่งไปเข้าโรงเรียนน้อยมากที่เด็กส่งไปเข้าโรงเรียนแล้วติดโรงเรียนอยากจะไปเรียนหนังสือแต่เห็นเห็นมน <ij os> าก็เห็นเข้าไปแล้วก็จะไปกับเขาพอไปวันเดียวเท่านั้นละพอวันที่สองก็งอแงแล้วทีนี้ ไม่อยากจะไปแต่ถึงยังไงถึงจะอยากไปไม่อยากไปพ่อแม่ก็ต้องบังคับล้วทีให้เด็กไปเรียนหนังสือเพราะว่าพ่อแม่ เ, เห็นคุณค่าถ้าไม่เอาตามใจเด็กเด็กไม่อยากเรียนกลับม่ต้องเรียนอย่างนี้แล้วเป็นยังไงเด็กเมื่อใหญ่ขึ้นมามันก็ไม่อยากจะเรียนไปเรื่อยๆผลในสุดมันก็ จะเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดจะเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาดได้อย่างไรเพราะไ่ได้รับการศึกษาแต่ถึงยังไงผู้ใหญ่รู้เห็นคุณค่าในการศึกษาในการเรียนของเด็กถึงยังไงเราก็ต้องบังคับให้เด็กเรียนหนังสือพอเด็กเรียนหนังสือเราก็ติดแล้วแต่พอติดการเรียนการศึกษาติดหมู่ติดเพื่อนอยากจาจากนั้าไปก็ไม่อยากจะ ลาโรงเรียนอะไรตัว่าพ่อแม่มีกิจธุระอยากจะให้มาช่วยการช่วยงานเป็นวันเด็กทั้งหลายคนนั้นหน้าบูดหน้าเบี้ยวไม่อยากจะหยุดโรงเรียนกลัวจะไม่ทันเขาบ้างกลัวจะความรู้ไม่ทันหมู่ทันเพื่อนบ้างนี่แหละอันนี้ก็คือเด็กติดเรียนแล้วนะ การภาวนาของพวกเราถ้าจะเปรียบเทียบกันก็ลักษณะคล้ายๆนั่นแหละใหม่ๆในพวกเราก็เหมือนจูงหมาใส่ฝน เ, เวลาฝนตกพวกเราจูงหมาใส่ท อ, อมันมีสีขามันดันไว้มันไม่อยากจะอ อ, ออกไปหาฝน อ, อ, อันนี้พวกเราก็เหมือนกันเวลาเราจะนั่งภาวนาหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเรานีนะ่ พอจะนั่งภาวนาเอาข า, ข, าขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วพอปนมมือเสร็จแล้วก็อนะคงจะหา ว, ว่าขาไห ว, วาน้ําตาหลังน้ําตาไหลไ อ, อ้พอมันไม่อยากจะนั่งภาวนาพอกิเลสภายในใจของเราดึงลังเอาไว้ไอ้อย่าไปไปสวรรค์นี่พานัะนะ่นอยู่กับพระข่านี่ดีแล้วไนะอ้มันลักษณะอย่างนั้นอะ่ะพลได้สุขก็นะ่ะ นั่งพอมล่อมก้มเข้มพุโทโธสองสามคำเท่านั้นงายเพึงละ่ะกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นจะมากกว่าพอเหตุไรเพราะว่าเรื่องภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดามัน ด, มนดูมันดูจิตดูใจดูเข้าไปเข้าไปดูคลังกิเลสมะเขาใคล้ายเขาเข้าไปดูที่กิเลสมันนอนอติดพบติดชาติอยู่นั่นะ่ะ แต่เราเข้าจะเอาธรรมะเข้าไปถลุงมัน เ, เข้าไปดูมัน เ, เข้าไปลบลากข้าฟันกับกิเลสภายในใจเพ <_ d ans> ราะฉะนั้นกิเลสมันไม่อยากจะให้เราเข้าไปยุ่งเลยจุดนั้นอ่อมันกดพยายามกล่อมเราอยากเข้ามาจะเข้ามาผลในสุดก็เล่าก็สู้กิเลสมไม่ได้ <_ d ans> เวลานั่งจะนั่งภาวนานโอ้เออมันยากเหลือเกินผลในสุดก็สู้มันไม่ได้ เพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกทุท่านที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้พวกเราสังเกตดูมีส่วนไหมหลวงพ่อคงจะมีส่วนมากๆนะแต่บางคนบางท่านถ้าเห็นโทษแล้วถ้าเห็นโทษและเอือา น, นั้นก็แปลว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจล่ะผู้เห็นโทษก็คืออะไรเออเราเกิดมามีทุกข์เหลือเกิน เราได้ปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ให้สอนและจิตใจข อ, ของเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งอันนี้คงเป็นหนทางของเราและอันนั้นแปลว่าเด็กนักเรียนเริ่มติดละติดในการเรียนจากนั้นก็นั่งภาวนาเรื่อยๆพอนั่งภาวนาไปเรื่อยๆจะดมันติด ติดในความสงบถ้าว่าเราไม่ได้นั่งภาวนาในคืนหนึ่งหรือเวลาหนึ่งเหมือนกับมันขาดอะไรทีนี่มันขาดอะไรอยู่เยอะเล็กเล็ ก, ลกต้องได้นั่งภาวนาได้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบกำหนดพิจารณากำหนดความสงบแล้วพิจารณาแล้วเออนั่นแหะพอสมหมาสมควรแวพักผ่อนอันนั้นแปลว่ามัน อิ่มอกอิ่มใจอยู่ในใจลึกๆนี่แหละต่อไปมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ใหม่ๆก็ทรรมดาเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายต้องฝืนสรุปแล้วใหม่ๆเนี่ยต้องฝืนต้องบังคับในเมื่อเราบังคับอพอมันเห็นผลแล้วทีนี้นั่นแหละมาความหมั่นความขยันมันก็จะเกิดขึ้นมาเอง แต่ถ้าไม่ใหม่เดียวก็อย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นหละพอนั่งภาวนาเข้าไปแล้วหาโวกหาวหายน้ำตาหลังน้าตาไหลมันอยากจะหลับมันจากอะไรมันครอบทั้งหมดนะแต่ถ้าเราบังคับหรื อ, อยังไงเอาอย่างน้อยก็ต้องยี่สิบนาทีสามสิบนาทีถ้าเราทำอย่างนั้นได้ต่อไปก็นั่นแหละเป็นชั่วโมงสองสามชั่วโมงก็ได้ นี่แะขอฝากไว้กับพวกเราทูกๆกทันนะต้องสู้การที่จะประกอบคุณงามความดีเนะี่ยมันยากมันเหมือนกับกิ่งกิ่งก้อนหินใะนกิ่งครกขึ้นภูเขาอย่างที่ว่านั่นแหละแต่ถ้าว่าเราจะทำความชั่วเนะี่ยมันเหมือนกับกิ่งก้อนหินแล้วว่ากิ่งคลกลงจากภูเขาอนะ่างนั้นอ่ะไหลเลื่อนแต่ถึงยังไงเป็นหน้าที่ของใคร จะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ของพวกเราหนะ่าเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติ ท, ทำหลวงพ่อก็แนะแนวแนะนําอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาใหม่แต่เป็นพระที่เป็นพระเกา่าหรือญาติโยมเกา่าที่หลวงพ่อได้อบรมบอกกล่าวมาแล้วหลวงพ่อก็ไม่ห่วงเพราะหลวงพ่อพูด ให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งตักี่หนให้พวกเราปฏิบัติตัอย่างไรภาวนาอย่างไรแต่พวกที่เข้ามาใหม่ถ้าเข้ามาใหม่ก็ได้ฟัง Mp3 ของหลวงพ่อมาก่อนแล้วกรอบคอพอจะจับประเด็นได้แต่ถ้าว่ายังไม่ได้เคยฟังมาเลยเอเราจะนั่งยังไงการภาวนา เ, นเริ่มต้นเราจะจับนับ1อย่ายังไงกอไก่ขอขายยังไง เออจนถึงหอนกฮูกนะเออเราจะทำยังไงเราจะเดินยังกลมเราจะเดินยังไงเดินไปเห็นคนเราก็อายเขาอีกผมไม่รู้จะเดินไปเดินยังไงเวลานั่งเราจะนั่งยังไงอันนี้ก็คือคนผู้ใหม่ใหม่ในการศึกษาบางคนก็ไม่กล้าถามอีกอายเขาอีกเข้าวัดเข้าวาปูนนี่แล้วจะมาหาถามเด็ก มาฝึกหัดภาวนาเหรอ อ, อ, อายเขาอย่างนี้มันก็มีอีกแต่ตามจริงไม่น่าอายนะสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็ควรจะศึกษาเราควรจะถามเขาผู้รู้รู้ไหมวิธีการภาวนาถ้าเขาพอจะสอนเราได้เราก็ฟังเขาฟังคนนี้ฟังคนนั้นบฟังผลในสุดเราก็จะได้ปัญญากับพวกเขาเหล่านั้นนะ นี่แหละเพราะว่าปัญญาไม่ได้เกิดอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดอยู่เกิดอยู่กับผู้รู้เท่านั้นหละก่อนที่เขาจะรู้ได้เขาก็ต้องไปศึกษากับครูบาอาจารย์หรือกับผู้ที่รู้มาก่อนแล้วเขาจึงมาพูดให้เราฟังไม่ใช่ว่าเขาจะย่ำผูรู้เองเห็นเองไม่ใช่เพราะนั้นเราก็เรียนต่อเขาอีกนั่นแหละเมื่อเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัตินะแต่สาหรับหลวงพ่อเอง หลวงพ่อก็ได้บอกให้กับคณะจทธาญาติโยมพระเนรลูกลานพลอหลวงพ่อบวชใหม่เป็นเนรน้อยโยงปู่ล่าท่านก็สอนนะก่อนที่จะหลับกวันที่จะนอนเวลาหัวค่ำอย่างนี้ะท่านไม่ได้ทำวัดเย็นนะโดยมากพระกรรมฐานจะไม่รวมกันทำวัดแต่มีบางวัดท่านทำทุกวัน แต่บางวัดท่านก็ทําเฉพาะวันเสาร์วันทําเฉพาะวันพระแปดค่ำสิบห้าค่าแต่หลวงปู่ล่าไม่เคยท่านทําแต่วันอุโบสถวันพระลงโบสถท่านก็ทําวัดไหว้พระแล้วก็ลงโบสถแล้วก็สวดท้ายพระปฏิโมกข์แล้วก็จบจากนั้นก็ต่างองค์ก็ต่างทำของใครของเราอนี้หลวงปู่ล่าแต่หลวงตามหมาบัวก็เช่นเดียวกัน โดยมากแต่สมัยท่านยังหนุ่มที่เราเข้ามาใหม่ท่านก็พาจาวัดเย็นบ้างแต่นานๆนนทีแต่โดยมากท่านทำวัดย่อจากนั้นก็พาลงอุโบสถเตยแต่โดยมากท่านจะพาลงอุโบสถตอนเช้าที่วัดป่าบ้านตาดถือเป็นประเพณีมากระทั่งทุกวันได้ล่ะท่านลงอุโบสถแต่เช้ามืด น, นี่แหละเพราะนั้นการที่จะเรียน วิธีการทำวัดสวดมนต์ก็มีบางวัดสมัยนั้นแต่หลวงพ่อพิจารณาดูแล้วหลวงพ่อมองมองดูแล้วก็เลยเนําน่าจะประยุกใช้เพราะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเข้ามาสู่วัดวาศาสนาใหม่ก็จะได้เรียนรู้วิวธีทำวัดไหว้พระสวดมนต์ทํานองเสียงที่ออกพร้อมๆกันนนเป็นยังไง เ <N> นี่ยหลวงพ่อก็ได้นำมาประยุกใช้ในวัดของหลวงพ่อจากนั้นก็ น, นำประยุกใช้ในการนั่งภาวนาอีกเท่าไหร่ฝึกหัดในการนั่งภาวนาอีกออแต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อเองสมัยเป็นเนนหลวงปู่มิตฉาสอนออตัวต่อตั ว, ตวท่านก็เออวิธีการนั่งภาวนานะพอเดินจงกรมเสร็จตอนหัวค่าเสร็จแล้ว พอกลับขึ้นที่พักเดินยองกลมเสร็จแล้วกลับขึ้นที่พักเสร็จแล้วก็ล้างเท้าให้สะอาดเช็ดให้แห้งาจากนั่นก็เข้าไปกราบพระไหวพ้พระไม่ต้องมีพระพุทธโลกหรอกเราหันศีรษะไปทางไหนเราก็กราบไปทางนั้นแหละเพราะพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเรากราบขึ้นมาเลคือพระพุทธเจา้าพระธรรมอยู่พระสงฆ์อยู่ในนั้นแหละ กัพุโทโธธรมโมสังโขนิพพานังกราบพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นเพื่อมุ่งหวังพระนิพพานนิพพานันานงจากนั้นก็阿拉หังสัมมาสัมพุโทโธสวะกะตัตสุปติปโนไหว้พระท้าว่าได้นโมตัสสะเอาว่านนโมตัสสะพระเกวะโตสามจบถ้าได้พุทธทางได้ไหมพุทธทาง พุทธทางส ร, รานางังขจามิธรรมบางสังขงังนัตทิเมได้ไหมนัตทิเมสระนังอันาญพุทโธเมสระนังวะรังถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้เท่าที่ได้จาดนั่นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาอาหางสุขิโตโหมิได้ไหมถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ไดก็ให้แผ่เมตตาเป็นภาษาใจนะถึงจะได้อาหางสุขิโตโหมิแล้วก็เถอะเรายัางไม่เข้าใจในภาษา เพราะเราไม่ได้เรียนบาลีเราไม่ได้แปลแบาลีเราไม่เข้าใจเราให้ใสเป็นภาษาใจนะข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วทรายโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกทุก ดวงใจทุกๆวิญญาณทุกๆ ท, ท่านด้วยเทินให้นึกคิดอย่างนี้นนคือแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วไรโลกธาตุให้มีความสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นดวงใจอื่นๆก็ให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้ก็คือทำให้จิตใจของเราอ่อนโยน ทำให้จิตใจของเราไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนกับใครๆทางหมดในจักรวาลข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขถ้าเรามีความขัดข้องมองใจผูกอับพยาบาทอาฆาตกับผู้ใดอยู่นั่นแหละความผูกเวนกับท่านผู้ใดดวงวิญญาณใดท่านกับคนกลุ่มใดเวนจะไม่ละงับ เวรจะระ ง, งับไม่ได้เพราะการจองเวรเวรจะระ ง, งับได้เมื่อเราไม่จองเวรกับใครๆเพราะนั้นเราไม่ต้องจองเวรหรอกต่างคนต่างมาเกิดต่างคน ต, งต่างตายอยู่ในโลกเนี่เราจะไปกัดกันทำไมเราไม่ใช่เปรตไม่ใช่สัตว์นรกไม่ใช่หมูหมากาไกา่เราเป็นมนุษย์ให้อภัยกันจบๆไปอย่าไปจองล้ำจองล่างจองผานวิญญาณดวงใดทางหมด อันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเมื่อสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กเป็นเนรจะนั่งก็ น, นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็ปนมมือซะก่อนนะไหว้ครูซะก่อนคือไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆ ส, สามจบจากนั้นเอามือลงพอเอามือลงขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายไว้แล้วนะแล้วเอามือลงมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทเนี่แหละคือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านแนะนําอบรมสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิของท่านนี่แหละครูบาอาจารย์ทุกอง์ในสมัยนั้นที่ท่านยั ง, งทรงธาตุทรงขันอยู่ เราเข้าไปครูบาอาจารย์แนวแถวหลวงปู่มั่นล่ะท่านจะให้ภาวนาโพธโถจะเป็นหลวงปูฟัน่นจะเป็นหลวงปูขาวหลวงปูอ่อนหลวงปูเทศให้พวกเราที่เกิดจุดท้ายภายหลังก็ให้อ่านหนังสือธรรมะเล็กๆหรือประวัติของท่านพวกเราก็คงจับประเด็นได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านสอนเรื่องให้ภาวนาะเลย สมัทาัานะคือทำจิตใจให้สงบเราก็คือภาวนาพุทโธนี่แหละเป็นหลักนะให้ภาวนาพุทโธหายใจเข้าพทุทหายใจออกโรอย่าคิดจะให้ใจออกไปข้างนอกให้ใจอยู่ในที่ปลายจมูกถ้าว่าพวกเราเกำหนดลมเอ๊ะมันลมมันเข้ายัางไงมันออกอยังไงเราหายใจแรงๆดู หายใจเข้าแรงๆหายใจออกแรงๆพืดฟาดพืดฟา ด, ฟ ด, ฟาดทั้งสองสามครั้งเราจะรู้ได้ว่าลมมันกระทบที่ไหนกระทบที่ปลายจมูกหรือดั่งจมูกหรือซานจมูกเราเอาสติจับตรงนั้นแล้วก็ค่อยหายใจหายใจเขาปกติไม่ต้องหายใจแรงไม่ต้องแตงลมอย่าไปแตงลมนะให้เป็นธรรมชาติให้มีสติกำหนดดูเท่านั้น มีสติดูที่ปลายจมูกเท่านั้นอย่าไปแต่งลมให้เป็นธรรมชาติอันนี้คือท่านสอนจากนั้นเรากดดูลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุทโทพุทธโทพุทโทถ้ามันเพลอไปตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกดู X ให้มันอยู่กับให้เห็น ให้เห็นกับลมหายใจแต่บางครั้งถึงเราจะตั้งใจดูขนาดไหนก็เถอะบางทีสติเราก็รู้อยู่แต่ลมมันหายลมมันหมดแล้วมันหมดแล้วทำยังไงครับถ้าลมมันหมดไม่ต้องตามหาลมอีกนะไม่ต้องสืบลมอีกถ้าถือสืบลมขึ้นมาอีกมันจะหยาบเอารมณ์มันหยาบเพราะมันที่ลมมันที่อารมณ์ที่ลมมันหายหมดนะคือมันละเอียดละเอียดละเอียดเขามันหาย แต่ไม่ใช่เผลอนะแต่มันหายมันหายไปต่อหน้าต่อตายมันลมมันหายไปไหนทำไหมเราก็มีสติอยู่แต่มันลมไม่เห็นลมถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเราจะไปไม่ต้องตามไม่ต้องไปสืบหาลมอีกให้ไปอยู่กับตัวผู้รู้ใครใครรู้ว่าลมหายมันหายไปไหนไม่ต้องไปตามหาไปดู ไปอยู่ที่ตรงที่ว่าใครรู้ว่าลมหายไปอยู่ในความรู้สึกนั้นเอาสติไปอยู่ที่ความรู้สึกถึงใครรู้ว่าลมหายเอาสติไปอยู่จับอยู่จุดนั้นเท่านั้นหละทีนี้ให้ดูอยู่จุดนั้นอ่ามันจะเป็นยังไงไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลว่ามันจะตายเขารู้อยู่มันจะไปไหนมมันจะตายไปที่ไหนเมื่อเราเอาสติจับอยู่ตัวผู้รู้อย่างเดียวนั้น ใจจะเข้าสู่ความสงบลงไปอีกนะอันนี้ก็คือเวลาลมหมดไม่ต้องวิตกกงังวลแต่บางท่านบางคนเวลานั่งภาวนาไปพอจิตมันจะสงบเค้ิมเคลิมหรือว่าจิตจะรวมมันจะเห็นนิมิตบางที่เห็นเทวบุตรเทวดาบางทีก็เห็นคนลม้มคนตายบางเห็นบางทีก็เห็นนรก เห็นสวัรด์กับสุดแท้แต่อันนั้นคือนิมิตถ้าเห็นลักษณะนั้นไม่ต้องส่งจิตไปดูนะพอเห็นแล้วก็จักว่เห็นอย่าไปให้ความสำคัญในการเห็นนั้นเพราะเราไม่มั่นใจว่าอันนั้นเป็นเครื่องเป็นของหลอกหรือของจริงเรายัางอย่าอย่าไปส่งไปอย่าไปส่งไปดูให้กลับมาหากรรมาฐานเดิมกรรมาฐานเดิมคือเรากาหนดลมหายใจเข้าพุหายใจออกโท ให้กลับมาหากรรมฐานพุทโธอีกนิมิตเหล่านั้นมันจะหายไปเองไม่ต้องดูถ้าดูแล้วมันจะยาวแล้วนะทีนี้เหมือนกับเราดูหนังม้วนหนึ่งขึ้นมานะ่มันจะยาวเหยียดเลยทีนี้เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเท็จไปไม่รู้เรื่องจริงหลอกไปหลอกมาเพราะในสุดตัวเองก็เลยหลงหลงในนิมิตว่าเป็นเรื่องจริงจัง พอมันกินลึกนะมันออกมาจากใจตัวนี้ออกมาจากใจตัวนี้เป็นมันกินลึกเหลือเกินพอนั้นเราก็หลงในนิมิตพอหลงในนิมิตกับสําคัญตนเองผิดอะไรตัวนี้ข้าเป็นบุคคลสําคัญคนอื่นไม่เห็นค่าเห็นนะแต่ตาไม่จริงพอเห็นไปเห็นมาเนะเดี๋ยวก็เป็นบาศเลยตาแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะมันหลงหลงในความรู้สึกของตนเองเพราะนั้นอย่านะอย่าส่งจิตออกนอกนะ ถ้าทรงอกจิตออกนอกนะเป็นบ้านะการปฏิพฤติปฏิบัติธรรมนะให้มีสติอยู่กับตัวเองนะบังคับมาอยู่กับตัวเองนะให้พุทธโทนะให้มีสติ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอันนี้คือสมถะสรุปแล้วก็คือสมถะคือทําจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นสมาธิสมัติษะส่วนวิปัสสนา ส่วนมิปัสสนานเดินอีกพิจารณาร่างกายสังขารพิจารณาร่างกายของตนเองตั้งแต่ เ, เกศาโลมาเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังหรือพิจารณากระดูกพิจารณาโครงกระดูกอย่างเดียวหรือพิจารณาเป็นาธาตุสีดินน้ำลมไฟหรือพิจารณาเป็นอสุภะก็ได้อันนี้คือวิธีการเดิน วิปัสนาแต่ที่ยังไงทำให้จิตใจสงบสักก่อนเป็นพื้นฐานดีกว่าแต่ถ้าหากว่าเราภาวนาเท่าไรมันก็นยังไม่สงบแต่จิตใจมันอยู่พอประมาณพอสมควรแล้วเราจะนำมาปิจารณาเลยก็ได้อันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สายลุงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนเพราะนั้นขอให้พวกเรา พระเนนลูกหลานจัตไทายา จ, จมทุกท่านนะที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติหลวงพ่ออยากจะให้พวกเรานั่งภาวนาในพรรษานีสามเดือนไม่ควรจะขาดถึงจะอยู่ในบ้านก็เถอะช่วงไหนว่างๆขาะจะนั่งภาวนาดูจิตดูใจของตนเองถ้าว่าพวกเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ในจิตในใจแล้ว ความนึกคิดอะไรมันจะไม่ออกนอกลู่นอกทางเรามันจะไม่คิดออกนอกทางคิดถึงอะไรมันก็ไม่เกินมันจะน้อมถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างตายเท่านั้นน่ะจะไปที่ไหนเราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันนี้จังของไม่เที่ยงเราเราจะเที่ยงอย่างนั้นใช่ไหมมันคงไม่เที่ยง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างม้วนลงถูอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจึงจะมั่งมีซี้อสุขล 500, ่ like a a ํารวยเป็นเศรษฐีอันัยมั่งมีขนาดไหนก็เถอะล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทางนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเห็นอนิจจังของไม่เที่ยง สิ่งนั้นไม่เที่ยงสินั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิงนั้นเป็ น, น, น, ปนมิใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วนะจะไม่ลุ่มหลงเออจะไม่ลุ่มหลงจะไม่มัวเมาเออขอสาคัญให้มีสติอยู่กับตัวเองเอออย่าไปมองคนอื่นจะไปเพ่งโทษคนอื่นออย่าไปคิดว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเออตัวเองมองตัวเองมั น, มนไม่ดี จึงไปมองคนอื่นเขา เ, เราเห็นหมาไม่ดีเห็นงูไม่ดีเห็นกบเห็นเขียดไม่ดี เ, เห็นไช่เดือนไม่ดีเห็นพวกแกไม่ดีแล้วทำไมไม่มองตัวเองตัวเองมันดีอะไรไปลางแกเขาใช่ไหมไปเบียดเบียนเขาใช่ไหมถ้าไม่เบียดเบียนไปคิดไปถึงเขาทำไมเพราะมันสัตว์กรรมของใครกรรมของเรามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไนะ ฉะนั้นขอให้มองตนเองถ้ามองตนเองนะั่นนะหยุดที่จะส่งจิตออกไปข้างนอกเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะขนันตธาญาติโยบนะันวิธีการปฏิบัติจิตตภาวนาเบื้องต้นหลวงพ่อแนะนำไว้เพียงแค่นี้ก่อนตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ้า น, นั่งคัดสมาธิพอนั่งขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วปนมือขึ้นระหวางอก ไหว้ครูพุโทโธธรรมโมสังโฆสะกดจากนั้นก็ค่อยฟังการฟังเทศนะที่หลวงพ่อเทศได้ยินเสียงหลวงพ่อก็ให้ดูที่ใจของเราพุโทโธพุทโธไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังเสียงหลวงพ่อหรอกให้ดูที่ใจพุทโธพุทโธเสียงมันจะเข้าที่หูเราเองแล้วมาเกิดเข้าที่ใจของเราเราก็จะรับรู้รับรู้รู้รู้รู้รู้รรรได้ยินเสียงนะไม่ต้องจํำ ฟังแล้วไม่ต้องจําไม่ต้องให้จําแต่ให้รู้นะนี่แฟังฟังเทศเอาเอาเรื่องฟังเทศเอาเอาธรรมเข้าสู่จิตใจนะฟังให้รู้ไม่ต้องฟังให้จำนะนี่แหละอันนี้ก็คือการฟังเทศนะฟังให้จําอีกต่างหากนะฟังให้จํานี่ยค่อยๆพูดเรื่องอะไรขึ้นยังไงไปยังไงอันนั้นฟังให้จําแต่ฟังให้รู้นี่ไม่ต้องกําหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธ ีแต่ได้ยินแต่เสียงเท่านั้นอะ่ะอันนี้แปลว่าฟังให้รู้รู้รู้รู้ไปเรื่อยแต่หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราฟังให้รู้มากกว่าฟังให้ฟังจำนะฟังรู้นะี่มีประโยชน์กว่าฟังจำนะเอาเปิดได้นะทีนี้นะ